ไม่ก่อสร้างวัตถุแต่สร้างหัวใจเพราะฉะนั้นเราจึงได้ขู่เข็นวงกรรมฐานเราขนาดนั้นมันยังรอดออกไปได้นะโถมันเร็วบางทีชี้หน้าเลยขนาดนั้นเอาอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวาย นี่เป็นการสร้างความกังวลไม่ได้สร้างความสงบมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรสติปัญญาความคิดความอ่านไตรตรองความกังวลวุ่นวายความก่อกวนมันจะเข้ามาพัมพร้อมกันนั่นคือสร้างความวุ่นวายปลูกกุติขึ้นเพียงหลังหนึ่งเท่านั้นก็สร้างความวุ่นวายให้เท่าไหร่ยิ่งสร้างศาลา ข, ขึ้นหลังใหญ่ๆทั้งหลัง มันจะก่อกวนมากน้อยเพียงไรทั้งวุ่นวายทั้งก่อกวนเลยกลายเป็นศาสนากวนบ้านกวนเมืองไปกวนเอาห้าเอาสิบเขามาสร้างนั่นเองเนี่ยที่จะให้เกา่ามันไม่ยอมเกา่ามันทะเลถไหลออกไปข้างนอกมันยิ่งไปใหญ่ทีนี้เลยกลายเป็นศาสนากวนบ้านกวนเมืองแทนที่จะให้เป็นความร่มเย็นแกโรคแกสงสาร กลับเป็นความร้อนยิ่งกว่าโลกไปซะอีกกวนโลกกวนสงสารเขาไปอีกนี่ล่ละกิเลสมันเข้าตีตลาดตีอย่างนี้ไอเราไม่รู้ประดับตกแต่งอะไรมีแต่เรื่องของกิเลส เรียบง่ายหรูหราด้วยธรรมธรรมท่านประดับอะไรประดับที่หัวใจด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรประดับเข้าไปประดับเข้าไปชําระสิงโศกปรกโสมมออกไปออกไปน้ำอัดน้ำทมที่สะอาดชะล้างเข้าไปชะล้างเข้าไปนั่น ท่านชำระภายในสะอาดภายในท่านไม่ได้มาสะอาดกับสิ่งภายนอกอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆสะอาดภายนอกสกปรกภายในคือเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมแล้วสะอาดทั้งภายนอกสะอาดทั้งภายในภายนอกความประพฤติหน้าที่การงานของท่าน เ, นเรียบเดินตามหลักธรรมหลักวินยัย นี่เรียกว่าสะอาดภายนอกด้วยความประพฤติสะอาดภายในคือชำระจิตใจของตนให้มีความสงบผ่องใสเ ย, ยือกเย็นสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลำดับลาดับนั่นสะอาดภายในเพราะการชำระสะสางอยู่ด้วยความเพียรท่าต่างๆเรียกว่าสะอาดภายในทีนี้ เมื่อภายในมีหลักมีเกณฑ์มีความสง่างามแล้วอยู่ที่ไหนก็สง่างามหมดอดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่เป็นทุกข์ท่านไม่เป็นกังวลใครจะอดยาขาดแคลนยิ่งกว่ากรรมฐานผู้มุ่งต่ออัตตธรรมไม่มีถ้าเป็นเรื่องของผู้มุ่งต่ออัตตธรรมแล้วต้องเป็นผู้ได้รับความทุกข์ต่างๆจากปัจจัยสี่ คือที่อยู่ที่อะไรคือท่านไม่สนใจท่านไม่เอาเพราะไม่ใช่ทางเพียงอยู่อาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งไปเท่านั้นพอภายในนี้ท่านสนใจมาก โรดชาวต่างชาติผู้ไฟทธรรมรับชาวต่างชาติประมาณปี2506เป็นต้นมา เริ่มมีพระชาวต่างชาติมาขอศึกษาธรรมะจากท่านาแรกเริ่มเดิมทีท่านยังไม่อยากกรับไว้ด้วยไม่ทราบถึงนิสัยใจคอว่าเป็นอย่างไรเขาเองก็ยังไม่คุ้นเคยกับศาสนาพุทธยังไม่คุ้นเคยกับอาหารการกินชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆเฉพาะอย่างยิ่ง ชนบททางภาคอีสานเกรงจะเป็นที่ลำบากไม่สะดวกด้วยประการต่างๆแต่ด้วยความมุ่งมั่นอดทนและไฝ่ใจในการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงท่านจึงเมตตารับไว้ท่านเคยเล่าถึงความภาคเพียรของท่านอาจารย์ปัญญาซึ่งเป็นพระฝรั่งองค์แรก ที่มาขออยู่ด้วยท่านเล่าเรื่องนี้อย่างเมตตาแกมขบขันด้วยพระท่านอาจารย์ปัญญาอยู่กับท่านมานานดังนี้ท่านปัญญานี้สุขุมมากท่านมาอยู่กับเราตั้งแต่ปีศูนย์หกท่านมาขออยู่กับเราถึงห้าหนนะ่ะนั่นนะ่ะไม่ใช่เล่นเล่นนะมาขอทีแรกก็ทางฝ่ายปฏิบัติของเรา ก็ไม่เคยมีพระกรรมฐานฝรั่งเราก็ไม่อยากรับไว้ก่อนประการหนึ่งก็ยังไม่ทราบนิสัยใจคอของฝรั่งนี้เป็นอย่างไรเพราะเขาไม่เคยาศาสนาพุทธเราเราจึงยังไม่รับแล้วมาขออีกเราก็ยังไม่ให้ถึงครั้งที่สามที่สี่มาขอเราก็ยังไม่ให้พอครั้งที่ห้า ท่านมาแผนใหม่เราหลงกลของท่านเมื่อเห็นว่าไม่ได้จริงๆแล้วท่านก็บอกว่าไม่ได้พักนานก็ตามขอมาพักชั่วคราวท่านว่าอย่างนี้นะเราก็เลยหลงกลน่ะสิตั้งแต่ปีศูนย์หกเดือนคุมภาพันธ์วันที่หกเราไม่ลืมนะตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้กี่ปีแล้ว ท่านอยู่ชั่วคราวนะมาอยู่ชั่วคราวเรื่อยมาจนบัดนี้หละ่ะจากนั้นมาก็เลยรับพระฝรั่งมาเรื่อ ย, อยสังเกตมาเ ร, เรื่อยก็รู้สึกว่าพระฝรังที่มาอยู่ด้วยนั้นดีทุกองค์ ดีกันคนละทางคนละทางทางภาคปฏิบัติหลักธรรมวินัยดีด้วยกันพระฝรังจึงมีอยู่เป็นประจำแต่เราไม่รับมากนะเราเอาแค่นั้นหละถ้าหากว่าจะรับมากก็จะมากกว่านั้นจะกลายเป็นสวนฝรังไปหมดเลยหัวรอบ พระชาวสหรับองหนึ่งอังกฤษมีองหนึ่งคนาดาองหนึ่งและเยอรมันองหนึ่งเวลานี้ดีทุกองค์มีพระฝรั่งอยู่นั้นสี่องหมายถึงปี2541บางปีเช่นปี2522มีพระฝรั่งถึงหองค์จากพระเนรทั้งหมด21องค์ ที่ผ่านมารู้สึกว่าพวกฝรั่งนี่เขามีกฎมีระเบียบดีจากนั้นมาก็มีพระและคราว่าชาวต่างชาติทั้งหญิงและชายมาขอศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในจมนวนนี้มีหลายเชื้อชาติด้วยกันเช่นอังกฤษแคนาดา สหรัฐอเมริกาออสเตรเียเยอรมันโปลแลนด์สิงคโปร์ญี่ปุน่นจีนเกาหลีอินโดนีเซียมาเลเซียศรีลังกา ชาวพุทธที่อังกฤษ 7-22 มิถุนายนกลางปี2517พุทธศาสนิกชนชาวอังกฤษได้กราบนิมนต์ท่าน ไปอธิบายและตอบคําถามธรรมะที่ธรรมประที่วิหารกรุงลอนดอนครั้งนั้นมีผู้ติดตามท่านไปสี่ท่านคือ 1. ท่านอาจารย์ปัญญา 2. ท่านอาจารย์เชอรี่ 3. สาศตราจารย์นายแพทย์อุไวเกตสิงห์อาจารย์หมอสิริราชสี่ มอมราชวงศ์เสริมสีกเกษมสีอากาศที่อังกฤษในยามที่หลวงตาเดินทางไปนี้แม้เป็นฤดูร้อนแต่ก็ยังจัดว่าหนาวมากสาหรับคนไทยแต่ท่านก็มิได้ลำบากยากใจแต่อย่างใดท่านคงอยู่อย่างง่าย มีการออกบิณบาทฉันมือเดียวในบาทตามปกติและไม่ต้องการให้จัดอะไรเป็นพิเศษให้ท่านด้วยเช่นในเรื่องอาหารและที่อยู่ท่านให้เหตุผลว่าท่านปัญญามาฉันอาหารคนไทยได้อย่างไรตลอดเวลาส2สองปีที่อยู่กับท่าน ท่านก็ฉันอาหารฝรั่งได้เช่นเดียวกันในช่วงที่อยู่อังกฤษมีชาวฝรั่งสนใจปฏิบัติธรรมจำนวนมากต่างสนใจที่จะถามปัญหาธรรมะจากท่านฝรั่งผู้สนใจเหล่านี้มีตั้งแต่พวกที่ได้ฝึกสมาธิมานานแล้วเป็นผู้สนใจเริ่มฝึก ผู้ที่เคยฝึกสมาธิจากอาจารย์อื่นๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ตลอดจนผู้เพิ่งจะเริ่มหันมาสนใจพุทธศาสนาต่างเข้ามาสนทนาธรรมกับท่านด้วยความสนอกสนใจต่อการปฏิบัติจริงๆคราวาททั้งชาวอังกฤษและชาวไทยที่นี่ ต่างก็มาใส่บาทกันอย่างปลื้มปิติด้วยความศรัทธาทุกวันในเวลาเก้านาฬิกาอีกทั้งมีลูกศิษย์หนุ่มสองคนชาวอังกฤษคนหนึ่งตอนปิดภาคเรลียนของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เคยมาบวชเนนที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วไปฝึกปฏิบัติที่วัดป่าบัานตาดอยู่กับท่านมาก่อนอีคน เป็นนักศึกษามาฝึกปฏิบัติธรรมที่ธรรมปฏิบตแห่งนี้อยู่จึงพอรู้วิธีปฏิบัติต่อพระสงฆ์แล้วคอยช่วยเหลือท่านได้อย่างเรียบร้อยคล่องแคล่วงดงามแม้คนไทยเองก็ยังชมเชย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 พวกฝรัง่งเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษนี้รู้สึกมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์กับทำวินัยนี้เข้ากันได้เป่งเลยทีเดียวอย่างที่เราไปอยู่นั้นไม่นานนะักโหน่าสงสารเหมือนกันนะฝรั่งร้องไห้มีเหรอเรายังไม่เคยเห็นร้องไห้เรื่องอัดเรื่องธรรมนะนี่เห็นแล้วเห็นต่อหน้าต่อตา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 ต่างแดนด้วยธรรมภายในในระยะหนึ่งเมื่อหลายสิบปีมาแล้วมีการคัดเลือกพระธรรมทูตเพื่อออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงและ หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเป็นประธานฝ่ายคารวาส ด, ด้วยเหตุที่ท่านมีพระชาวต่างชาติอยู่ศึกษาอบรมด้วยนี้ทำให้ท่านได้รับนิมนต์ให้เป็นกรรมการคนหนึ่งในการคัดเลือกพระธรรมทูตในครั้งนั้นด้วย เล่าว่าต่างประเทศเขาก็มีความสนใจในพระพุทธศาสนาอยู่มากดูได้จากมีตำรับตำรามากมายเขาก็สนใจร่ำเรียนกันแต่สำหรับภาคปฏิบัตินั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายกว้างขวางนักเพราะ ยังขาดผู้มีหลักเกณฑ์ทั้งภายนอกภายในมาให้คำแนะนำสั่งสอนแก่เขาในเรื่องนี้ท่านเคยอธิบายถึงคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งของผู้ที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในต่างแดนว่าถ้าหากไปเป็นแบบเป็นฉบับมีหลักมีเกณฑ์ภายในภายนอกพร้อมไปแล้วจะเป็นประโยชน์จริงๆพูดออกไปก็มีเหตุมีผลมีอัดมีธรรมภายในจิตใจเอาไปโชว์เขาบ้างทางด้านวัตถุ เขาจเจริญกว่าเราเท่าไรเอาอะไรไปโชว์ไม่มีอะไรไปโชว์ต้องเอาธรรมเข้าโชว์ต้องเอาธรรมภายในออกโชว์พระพุทธเจ้าประกาศสอนโลกด้วยธรรมภายใน เทศนอกสถานที่ในระยะที่ทาธาตุขันของท่านยังพอเป็นพอไปท่านเมตตารับนิมนต์ไปแสดงธรรมตามหน่วยงานต่างๆตามที่เขานิมนต์มาเช่นวัดหน่วยราชการทหารตำรวจ สถาบันการศึกษาต่างๆตามเหตุผลความจำเป็นมากน้อยต่อเมื่อชราภาพมากเข้าท่านจึงงดเว้นการออกไปแสดงธรรมนอกสถานที่หากมีอยู่บ้างโดยมาก เป็นงานเนื่องด้วยมรณกรรมของพระกรรมฐานครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญเช่นหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชาหลวงปู่คำตันหลวงปู่ล่าเป็นต้นเทศคณะที่มาเยี่ยม ท่านให้ความเมตตาต่อคณะผู้มาเยือนกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ชากทางใกล้ทางไกลทั้งในและนอกประเทศที่มาขอเยี่ยมพบท่านตลอดมาแต่เมื่อกำลังอ่อนลงการต้อนรับย่อมมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นคราวหนึ่งท่านเล่าแบบขำขันถึงคณะกลุ่มใหญ่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อจะขอเข้ากราท่านดังนี้ควรรับขนาดไหนขนาดไหนมันสมควรขนาดไหนเมื่อเพียบเต็มที่แล้วมันจะไปได้หรอก็ต้องหยุดพักเครื่องนสิมาตลอดทั้งวันเรานั่งตลอดคนเดียวแล้วไม่ใช่วันหนึ่งวันเดียวด้วยนั่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันตายได้มนุษย์ เ, าเรา ชีวิตหหดสั้นยต์เข้ามาเรื่อยๆเขาว่าไม่ต้อนรับไปกี่ครั้งกี่หนไม่ได้พบท่านว่าอย่างนั้นถ้าเราจะตอบก็ว่าเข้าก็บ่ได้พบเจ้าคือกันแล้วก็เว่าจังสั้นจะเป็นอย่างเมนว่จะมาเว้าแต่เจ้าบ่าพบคอยคอยก็บ่ได้พบเจ้าคือกันตัวมั่นก็เท่ากันแล้ว ยากอีหยังตอบคนมันสุพิสัยก็เคยรับอยู่แล้ววันนั้นเรารับแขกทั้งวันเราจะตายจนไม่มีลมจะพูดแล้วกำลังจะมืดพระก็มาบอกว่าคณะญาติโยมมาจากนูนจากนูนเราก็เลงดูจากน้นจากนี้ก็ไกลก็ทนเอาให้เข้ามา แน่นเอียดกุติเรามาเราก็เลยทําท่าละทีนี้มันทําได้ทุกอย่างพลิกสันก็ได้คมก็ได้อย่างนี้ก็ได้ก็ได้จะว่าไงพอมาเราก็ทําท่าขึงขังใจระอดหัวเราะไม่ได้นะแต่ทําท่าขึงขังแม่นมุเจ้ามาเอีอยงกระดอกระเบียแท้ เดี๋ยวนี่วะขู่เขาตอบว่ามาชมบา ร, รมีหลวงพ่อบา ร, รมีบา ร, รแม่อีหยงังคนกำลังจะตายฮู้จักบอขู่แล้วเอ้าไปลงพอเท่านั้นละ่ะหลังลงไปนิดนิดบา ร, รมีระแม่อีหยงังคนกำลังจะตาย จังสั้นแล้วบัตรจะเฮ็ดเฮ็ดจังสั้นแล้วโกรธก็โกรธเครียดก็เครียดก็าตามท่ำท่าคือคักขืนโลดของท่ำได้แมนบอตั้งแต่เขาเล่นลิกเกแล้วค่นเขายังท่ำได้ใช่ไหมถึงบดหัวหัวถึงบดไห่ไห่บ้าทางนั่นละพวกนี้ยังสั้นแล้วก็เฮ็ดได้ ระยะนี้มานี้เราเพียบเต็มพี่หนักมากมาเป็นประจำประจำเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายจนรักไม่ได้ว่างั้นเถิดกาลังหมดลุกเดินจะไม่ได้ขาก็ขัดอะไรก็ขัดไปหมดก้นก็จะแตกจะว่าไงโถนั่งทั้งวันทั้งวันแขกไม่ใช่คณะหนึ่งคณะเดียวมาทั้งแผ่นดินนี่ คณะนั้นเข้าคณะนี้ออกอยู่อย่างนั้นแล้วรับคนเดียวคนเดียวด้วยความเมตตาของท่านต่อคณะต่างๆ ในแต่ละสถานที่นี้เองธรรมจะจึงมีหลายแบบหลายฉบับมีทั้งเป็นจริงเป็นจังเป็นเหตุเป็นผลแบบขำคันแบบดุเด็ดเผ็ดมันหรือบางครั้งข้อสอนโดยไม่ใช้การพูดได้คัดมาแสดงบ้างดังนี้ คิดฆ่าตัวตายคณะหนึ่งขึ้นมากราบหลวงตาที่กุฏิบทสนทนาเริ่มขึ้นโดยหญิงคนหนึ่งได้กล่าวกับหลวงตา ถึงความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่และตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายตามสามีด้วยหวังว่าคงจะได้ประสบพบความสุขความสมหวังในโลกหน้าและไม่ทุกอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ความหวังของหญิงผู้นี้จะเป็นดังที่คาดไว้หรือไม่อย่างไรหลวงตาไดเมตาชี้แนะให้ฟังดังนี้ ฆ่าตัวตายหนีทุก์ได้จริงหรือความคิดอยากตายในเวลาเกิดทุกทรมานก็ดีในเวลาใดๆก็ดีไม่ใช่จะเป็นความคิดที่ถูกและจะพาให้ผู้คิด ได้รับความสุขความสมหวังแต่เป็นความคิดที่สั่งสมทุกข์เพิ่มให้แก่ตัวและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยถ่ายเดียวเท่านั้นตามปกติโลกไม่มีใครคิดอยากตายแต่เป็นเพราะห้ามไม่ได้แก้ไม่ตกก็จําจต้องปล่อยไปตามกฎของธรรมชาติแม้คุณผู้ชายของคุณเองก็ไม่ได้คิดอยากตาย แต่ก็จำต้องยอมเมื่อถึงคราวส่วนคุณทำไมคิดอยากตายหรือคุณว่าการตายเป็นของดียิ่งกว่าการมีชีวิตอยู่ถ้าเช่นนั้นคุณก็ไม่ควรคิดและเป็นทุกข์เพราะการตายแห่งสามีของคุณเพราะเป็นของดีแล้วแต่คุณทำไมคิดจนเกิดทุกข์แกตนแทบทนไม่ไหว สมมุติว่าลูกชายของคุณก็คิดอยากตายลูกหญิงของคุณก็คิดอยากตายตลอดคนในบ้านทุกคนก็คิดอยากตายเพราะคุณเป็นต้นความคิดคุณจะพอใจกับความคิดของคนเหล่านั้นไหมไม่พอใจค่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณทำไมคิดอยากตายส่วนคนอื่นไม่อยากให้เขาตาย ถ้าเห็นว่าเป็นของดีก็ควรประกาศให้โลกทราบทั่วกันเพื่อจะได้พร้อมกันตายเสียให้หมดทั้งแผ่นดินอย่าให้ยังมีใครเหลือเศษทนทุกขอยู่กับโลกอันแสนโส ม, มมและทรมานนี้ต่อไปถ้าเห็นว่าไม่ดีก็ควรงดไม่ควรคิดเพื่อก่อไฟเผาตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไปด้วย รีบแก้ไขความคิดที่เป็นพิษเป็นภัยทำใจให้สบายคนในบ้านก็จะหลับตาสนิทบ้างไม่พวักพวลนทั้งกับคนที่ตายไปแล้วและคนที่กำลังมีชีวิตอยู่ซึ่งกำลังจะพยายามฆ่าตัวตายคุณเคยเห็นโลกไหนบ้านเมืองใดและคนใดไม่ประสบกับความพลัดพรากจากสิ่งที่รักและ พึงใจมาแล้วความรักก็เคยรักรักจนแทบทนไม่ไหวใจจะขาดในเวลารักนั้นให้ได้ก็มีแต่ก็ยังรอดตัวมาได้เพราะไม่พยายามจะฆ่าตัวตายเพราะความรักเป็นผู้ชักชวนแม้ใจจะรักก็ยอมให้มันรักเพราะต้านทานไม่ไหว แต่ไม่พยายามฆ่าตัวเหมือนคุณจะว่าตำหนิอาจารย์ก็ยอมรับเพราะคุณคิดและพยายามในสิ่งที่น่าตำหนิจะฝืนชมไปโลกต้องบีนาดการฆ่าตัวตายไม่มีประโยชน์นอกจากจะมีโทษซ้ำเติมเข้าอีกเท่านั้น เวลานี้ยังควรแก่การที่จะแก้ไขดัดแปลงสมบัติอันมีค่าคือตัวของเราให้เหมาะสมแก่ตนและหน้าที่การงานเพื่อเป็นที่อบอุ่นแก่ลูกๆห ล, ล, ลานตลอดวงคณะญาติซึ่งคอยพึ่งอาศัยเราอยู่เป็นจำนวนมากแม้แขนข้างขวาขาดไปคือคุณผู้ชายของคุณจากไป แต่แขนข้างซ้ายยังมีอยู่คือคุณยังมีชีวิตดำรงอยู่ลูกๆห ล, ล, ลานๆยังจัดว่ามีที่พึ่งอันอบอุ่นอยู่ก็พอมีทางหายใจระบายทุก อ, ออกได้บ้างหากว่าคุณพยายามฆ่าตัวตายตามสามีไปเสียก็เท่ากับทำลายตัวโดยตรงและทำลายลูกหลานบง ให้ไรยาิขาดมิดปลิดที่พึ่งไปด้วยก็ยิ่งจัดว่าเป็นผู้ทําลายล้างผลานทั้งของเก่าและของใหม่ให้ขาดสะบั้นหันแหลกไปตามๆกันต้องจัดว่าคุณสร้างกําหนักไว้เพื่อมูชนแล้วผลจะเป็นอย่างไรบ้างโปรดคิดดูให้ดี